นะสองไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตสามไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตสี่ไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกทั้งสี่อย่างนี้ในหัวข้อว่าควรทำความไม่ประมาทในที่สี่สถานนะที่นี้ก็ จะมาอธิบายขยายความให้กว้างขวางออกไปอีกว่าความไม่ประมาทก็ได้แก่ความไม่อยู่ปราศจากสตินะคนมีสติคอยควบคุมจิตใจอยู่เสมอไม่ให้เผลอเรอผิดลาดทั้งไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าเราไม่มัวเมาหลงระเริงเพลิดเพลินไปกว่าเหตุนะหรือว่าเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องไม่ประมาทความไม่ประมาทเกิดขึ้น ในคราใดแน่นอนที่สุดทําให้เรานั้นมีสติตื่นตัวอยู่เสมอพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าสติโลกัตมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนะคนมีสติถือว่าคนนั้นตื่นอยู่ในโลกแต่คนขาดสติคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนหลับหลับที่สุดในโลกนะฉะนั้นจะบอกว่าสตินี้ควรจะมีอยู่ทุกเมื่อนะคนไหนมีสติแล้วคนนั้นจเจริญอยู่ทุกเมื่อนะคนนั้นจเจริญอยู่ตลอดเวลา ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราก็จะประมาทเราก็จะประมาทเมื่อเราประมาทแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความเสือ่อมเราก็จะมีแต่ความหายนะ์อย่างเช่นบุคคลที่บางคนก็มาลำพึงถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปแห่งทรัพย์เออหรือว่ามาลำพึงถึงความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งลูกเอเมียต่างๆเ อ, อที่ต้องประพฤติเพราะความประมาทมัวเมา อ่าอันนี้แหละถ้าหากว่าเราประมาทเราก็จะต้องอยู่ในสถานะอย่างนี้แต่นั้นเราไม่ประมาทนะก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นคนรักษาสตินะแบบพุทธรักษาสติฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงอย่าเป็นคนประมาทกันเลยนะทีนี้เราไม่ควรประมาทในที่ศีรฐานคืออย่างไรในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าไม่ประมาทในการะละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริตนะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่ามันมีทุจริตกับสุจริตทางกายทางวาจาทางใจและความเห็นผิดอ่านะก็คือว่าเราไม่ทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนะนี่ถ้าพูดกันให้สั้นๆนะต้องเราเราอย่าประมาทนะหมายถึงนี่เขาก็แยกออกไปว่า ไอ้ทางกายทุจริตมันคืออะไรกายทุจริตก็คือว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไม่ลักนะไม่ลักขโมยเขานะไม่ชกชิงวิ่งราวของเขานะี่ไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการลักขโมยเอนะหรือว่าชกชิงวิ่งราวเนี่ถือว่าไม่ดีนี่ดังนี้เราต้องต้องต้องละนะต้องลักหรือ เราต้องไม่ประพฤติผิดประเวณีนะไม่ประพฤติผิดประเวณีเช่นมีการฉุดกราอณาจารย์ขมคืนอะไรก็แล้วแต่หรือแม้ที่สุดก็คือว่าเราจะต้องไม่ประมาทในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเล้นนิ้มรสกายถูกต้องอสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่เราจะต้องไม่ประมาท ถ, ถ้าเราประมาทเราพลั้งเผลอในทางกายทุจริตแน่นอนที่สุดเมื่อเราทําตามอําเภอใจ เมื่อทําตามอําเภอใจแล้วมันก็เกิดการเบียดเบียนกั น, นเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการฆ่ากันเกิดการทําลายล้างผลชีวิตกันอันนี้มันก็เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นเหตุนํามาซึ่งความหายนะเป็นเหตุนํามาซึ่งการทะเลาะเบาะแวงกันก็ถึงกับการประหัดประหารกันนี่แหละฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในทางกายทุจริต เมื่อเราไม่ประมาทในไม่ทาทุจริตแล้วเราก็กลับกันว่ามาประพฤติในทางสุจริตนะมาประพฤติในทางสุจริตก็คือประพฤติที่ดีในทางกายก็ประพฤติยัยงไงก็คือว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือมาเป็นคนมีเมตตานะมีเมตานะมเมตาแล้วเราก็ไม่ลักขโมยเขานะดำเนินชีวิตด้วยสัมมาชีพเนะี่ยสัมมาชีพ เพราะว่าการดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายแล้วก็ยังถือว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมอีกนะไม่ดีถือว่าเรานั้นไม่เคารพในสิทธิของคนอื่นที่เขาพึงมีพึงได้มาโดยชอบทำเมื่อเขาทำมาไดโดยความเหน็ดเหนื่อยทำมาไดโดยความยากความลำบากแต่ว่าเรานั้นเป็นคนฉวยโอกาสนะไม่ยอม ทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างคอยจะฉกฉวยเอาเมื่อเวลาเขาเผลอหรือนะแย่งชิงเข้ามาอะไรอย่างนี้ถือว่าเรานั้นเป็นพวกมิจฉาชีพฉะนั้นเมื่อเราไม่ไม่กระทําความชั่วในทางกายแต่ว่าเรามากระทําความดีก็คือว่าดําเนินชีวิตด้วยสำ ม, มาชีพโดยอาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทําในทางที่สุจริตไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ขนาดไหนจะมีอุปสรรคเราก็ต้องทําให้มันสุจริต ทำให้ยุติธรรมอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความภูมิใจมีแต่ความสบายใจและก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมใช้ได้เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปนะประการที่สองให้เราไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตนะก็คือก็คือละการพูดชั่วนั่นเอง พูดและความชั่วที่จะเกิดทางวาจาทานะงคําพูดว่างนั้นเถอะคือคนเรานี่สังเกตดูวันวันตรงนี้เรารู้สึกว่าเราพูดมากทุกคนรู้สึกจะเป็นคนพูดมากฉะนั้นในความชั่วร้ายหรือมันมักจะเกิดขึ้นทางปากของเรานี่มากเหลือเกินนะมากฉะนั้นจึงได้มีนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าให้เรารู้จักปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งนอนสบายนะ ฉะนั้นปากของเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่สองอย่างอันหนึ่งก็คือพูดอันสองก็คือกินนั้นพูดก็ต้องรู้จักพูดนะต้องรู้จักพูดเอถึงคราพูดจึงพูดไม่ถึงคราพูดอย่าไปพูดนะถ้าไปพูดไม่ถูกกาละเทสะแน่นอนที่สุดอาจจะปากแตกก็ได้ที่เขาบอกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็พาตัวอัปปราชัยนะถ้า เรียกว่าถ้าพูดมากปากก็เป็นสีได้นะพูดมากปากก็เป็นสีได้นะฉะนั้นถ้าว่าถ้าเราพูดดีก็เป็นสีแก่ปากถ้าเราพูดมากปากก็เป็นสีนะฉะนั้นเราต้องพูดในทางที่ดีพูดในทางที่ดีก็ยังไงก็คือไม่พูดคําหยาบนะหนึ่งไม่พูดคําหยาบคนที่ไม่พูดคําหยาบก็คือพูดแต่คําไพเราะพูดแต่ความอ่อนหวานนะพูดแต่ความจริงนะพูดแต่ความจริงแล้วก็ พูดประกอบด้วยเมตตานะพูดประกอบด้วยเมตตาพูดคำเป็นสุภา ษ, ษ, ษิตพูดให้ถูกกาลเทศะนี่อย่างเงี้ยคนคนที่พูดดีนะคนพูดดีแต่คนที่พูดคำหยาบนั้นรู้สึกว่าพูดกระโชคโขฆ่านะแล้วขอประทานโทษบางครั้งก็มีไออีมึงกลัวอะไรอย่างนงี้รู้สึกว่าฟังแล้วก็มันไม่เพราะหูนะไม่เพราะหูระคายหูเขาถือว่าคนคนไม่มีการศึกษานะถ้าคนมีศึกษาเขาจะไม่พูด เขาจะไม่พูดเขาจะพูดเพราะมากพูดคุณพูดเธอพูดท่านพูดผมพูดครับพูดดิฉันพูดค่ะพูดขานี่อันนี้ก็ถือว่าพูดเพราะนะพูดเพราะทีนี้ในประการต่อมาก็คือว่าเราต้องไม่พูดปดนะต้องไม่พูดปดก็คือไม่พูดโกหกนั่นเองเพราะการพูดโกหกคือไม่พูดความจริง ทำให้ผู้ฟังนั้นฟังแล้วก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างนี้ถือว่าพูดโกหกพูดหลอกลวงทาให้เขาต้องเสียประโยชน์นะอันนี้ก็ไม่ดีนะประการที่สามก็คือว่าเราเราต้องไม่พูดอ่าไม่พูดอ่าส่อเสียดคําว่าไม่พูดส่อเสียดก็คือว่าไม่พูดให้เขาต้องเกิดความรักคารเครืองใจไม่พูดเน็บแนมเขานะไม่พูดเน็บแนมเขาอ่าไม่พูด ยุยงให้เขาต้องทะเลาะเบาะแวงกันออันนี้ถือว่าเราไม่พูดส่อเสียดอหรือไม่พูดแทะลมคอยอิจฉาสยาเขาทําให้เขาต้องตบตีกันทําให้เขาต้องเข้าใจผิดกันทะเลาะเบาแวงกันจนถึงการฆ่ากันก็ได้อประการสุดท้ายก็คือว่าไม่พูดเพอเจอร์ไอ้คำว่าไม่พูดเพอเจอรก็คือไม่พูดพลาดไอ้พูดแบบนกแก้วนกคนทองนะ่ะเขาเรียกว่าอพูดเพอเจอฉะนั้นเราก็ต้องละในทางวาจีทุจริต ความชั่วที่จะเกิดทางปากความชั่วที่จะเกิดทางปากแล้วเราก็ประพฤติดีในทางปากก็คือพูดดีนั่นเองพูดคําอ่อนหวานพูดคาเพราะเพราะเพราะให้ถูกกาลเทศะแล้วก็พูดความจริงเราจะพูดความจริงแล้วก็ต้องไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดก็คือพยายามพูดประกอบด้วยเมตตาแล้วก็พยายามพูดให้ถูกกาลเทศะ นะพูดให้ถูกกาลเทศะก็คือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดพอเหมาะพอควรอย่างนี้แล้วเรียกว่าเราใช้ปากเป็นประโยชนะ์เราใช้ปากเป็นประโยชน์หรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าเราเรารู้จักแต่งปากแต่งปากการรู้จักแต่งปากก็คือว่าแต่งปากให้พูดเป็นนะให้พูดถูกกาลเทศะให้พูดถูกบคุคคลแต่คนโดยมากไม่รู้จักแต่งปากให้พูดเป็น มีแต่รู้จักแต่งปากให้มันปื้นนะเประเปื้อนขึ้นมาอแล้วก็เอามาติชิ้นนินทากันว่าอคนนั้นปากสวยคนนั้นไม่สวยคนนั้นปากเปียกปากแปะปากปวดคนนั้นปากบางปากหนาะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของอของรูปของนามนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะคนปากอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้พูดดีพูดเป็นรู้จักพูดเราก็ใช้ได้นะพูดใช้ได้อย่างที่สุนทนพูดว่า นมนุษย์สุดนิยมที่ล้มปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะความ <c oughs> อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเราใช้ปากพูดเป็นพูดดีทีนี้มาในข้อที่สามก็คือว่าไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตอก็หมายความว่าเราไม่ผิดไม่ทําผิดในทางใจ ไอ้ความผิดในทางใจก็คืออะไรเช่นว่าโลภอยากได้ของเขานี่พยาบาทปองร้ายเขานี่เห็นผิดจากอ่าอย่างนี้ที่ว่าเห็นผิดจากทํานองคลองทมอย่างนี้แหละที่ว่าเอาเรานั้นทําทุจริตในทางใจเพราะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าไอ้ความโลภความโกรธความหลงอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันเบียดเบียนใจของเรามันเผาใจของเรา ให้ดิ้นรนให้เดือดร้อนให้กวัดแกว่กทําให้ใจฟุ้งซ่านทําให้ใจฟุ้งซ่านเกิดความรําคาญใจอจนถึงที่สุดเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ทําไปตามอําเภอใจก็เป็นเหตุนํามาซึ่งความหายนะความเสื่อมได้ดังนั้นเราจะต้องควบคุมอารมณ์อย่าให้ความโลภมาครอบงาําำเมื่อเมื่อเราควบคุมอารมณ์ให้ความโลภครอบงำก็คือเป็นคนเสียสละนะไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้ใช้ได้นะไม่เห็นแก่ตัวนะ เป็นคนเสียสละแล้วก็เป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีความอดทนมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นนั้นอว่าเราจะหาทางช่วยเหลือเขาอย่างไรให้รู้จักสงสารเขานะแล้วก็มีเมตตาหาทางแก้ไขช่วยเหลือเขาออย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าอเรานั้นมีเมตตาก็คือว่าละพยาบาทได้นะละพยาบาทจนถึงจนกระทั่งแม้ความเห็นผิดก็เหมือนกันนะเราต้องพยายามทําความเห็นให้ถูกนะ นี่เมื่อเราไม่ประพฤติผิดในทางใจก็คือว่าเราก็เป็นคนเสียสละอย่างที่ว่าเป็นคนเสียสละเป็นคนมีเมตตาเอือ้ออารอาีต่อคนทั่วไป อ, อย่างนี้ใช้ได้ใครดา่าเราเราไม่ดา่ตาตอบใครรักของเราเราไม่ลักตอบใครตีเราเราไม่ตีตอบอใครประหารเราเราก็ไม่ประหารตอบเรียกว่ายึดหลักว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เราเนืกองจากนั้นแล้วสบายใจประการที่สี่ก็คือว่า ไม่ประมาทในการละความเห็นผิดก็คือทําความเห็นให้ถูกอันนี้เป็นเรื่องของเอเป็นเรื่องของสติปัญญานะเป็นเรื่องของจิตใจหมายความว่าให้เรานั้นทําความเห็นให้ถูกเห็นให้ถูกคือเห็นไงเห็นว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วนี่เห็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เรามักจะว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้มันผิดหลักผิดหลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถือว่า คนเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่กรรมกรรมเป็นเครื่องจำแัดให้จำแนกให้คนเรานั้นดีก็ได้ให้คนเรานั้นเลวก็ได้นะเรียกว่าเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะเ ร, เราทั้งหลายมีกรรมเป็นทา ย, ยาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นอที่พึ่งพาอาศัยเราทํากรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราสบายใจฉะนั้น ทั้งหมดนี้ถือว่าเรานั้นประพฤติในทางที่ดีที่งามก็คือว่าควรทำความไม่ประมาทในที่สี่สฐานก็คือว่าในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทาความเห็นให้ถูกสรุปแล้วก็คือว่าในธรรมะสีข้อนี้ก็มีอยู่สองอย่าง อย่างแรกก็คือว่าฝ่ายชั่วต้องละนะฝ่ายดีต้องประพฤติในฝ่ายชั่วก็คือในฝ่ายทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนะในความเห็นผิดเนี่ยเป็นฝ่ายประหานะที่เราต้องประหารต้องทำลายให้หมดไปในฝ่ายสุจริตก็คือสุจริตทางกายทางวาจาทางใจในวามทาความเห็นให้ถูกต้องนะเมื่อเราประพฤติอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะเป็นคนไม่ประมาทมัวเมาในลาบในยศในสรเสริญในสุกนะ เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะทุกสิก่สงทุกอย่าง 1> 1 <buff. S 2> ท, ทีน่นี้พูดถึงความไม่ประมาทในที่ศีรษานนี้เขายังแยกออกไปอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราไม่ประมาทในการระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะหรือว่าระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา น่ในคาว่าไม่ประมาทก็เหมือนกับเมื่อกี้ว่าก็คือการไม่อยู่ปราศจากสติคือมีสติประจำอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่เสมอนะเช่นว่าเรามีอารมอย่างไรเรียกว่าอารมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะหมายถึงว่าเราเกิดความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าอารมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด นะกำหนัดในรูปกำหนัดในเสียงกำหนัดในกลิ่นกำหนดในรสกำหนดในการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเราจะต้องระวังนะจะต้องระวังอย่าอย่าให้อารมณ์เหล่านี้มาครอบงําเรานถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านี้มาครอบงําเราเมื่อไรแน่นอนที่สุดเราก็จะตกเป็นทาตนะุจะตกเป็นทาตของอารมณนะ์ฉะนั้นเราจะต้องมีสติอสติอย่างไร ก็คือว่าให้เรารู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมกล็ดลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้แล้วเราต้องต้องสำรวมระวังนะมาในข้อที่สองบอกว่าระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองะอะไรเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็คือ รูปเสียงเป็นรถปวดทัพะอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้ารูปรูปดีเราก็ชอบนี่เราพอใจะรูปดีเราพอใจเรียกว่าเกิดความกำนังแต่ถ้ารูปไม่ดีเราไม่พอใจนี่เราขัดเคืองเอเสียงเหมือนกันถ้าเสียงไม่เพลาะเสียงไม่ดีเราก็เกิดความขัดเคืองเป็นไม่ดีเป็นเหม็นเราก็เกิดความขัดเคืองในกลิ่นรสไม่ดีไม่อร่อยไม่ถูกใจเราไม่ถูกปากเราไม่ถูกลิ้นเราเราก็เกิดความขัดเคืองในการ ถูกต้องสัมผัสเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นไปต า, ามที่ใจเราปรารถนามันก็เกิดความขัดเคืองนะเกิดความขัดเคืองเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าใคร่อไม่น่าชอบใจอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งเห็นความขัดเคืองฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะต้องระวังถ้าหากว่าเราไม่ระวังปล่อยให้อนิถารมคืออารมณ์ที่เราไม่ปรารถนามาครอบงำจิตใจแล้วก็จะทําให้เรานั้นเกิดความ โกรธหรือว่าเกิดโทสะนะเมื่อโทสะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดอยากทําลายเมื่อเราทําลายไปแล้วมโมหะก็สนับสนุนทันทีเลยตัวหลงนั่นเองหลงไม่รู้จริงตามสภาวะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงเราไม่ทําลายมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงเราไม่ฆ่ามันก็ต้องตายนะจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ต้องตายกันทัางนั้นต่างแต่ว่าจะตายเร็วตายช้านั่นเองฉะนั้นอารมณ์ปฏิตั้งแห่งความขัดเคืองนี่แหละเป็นเป็นจิตที่คิดทําลายนะเป็นจิตที่คิดทําลายเฉะนั้น เราต้องต้องระวังนะต้องระวังมาในข้อที่สามที่บอกว่าระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงอะไรเป็นอารมณ์เป็นตั้งแห่งความหลงอารมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็คือว่ากามมสุขนั่นเองกามมสุขทุกอย่างเรียกว่าอารมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงกามมสุขก็คือตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสอีกนั่นแหละนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย พูดง่ายๆก็คือในเรื่องกามคุณท่ากามคุณท่ากามคุณท่าก็รูปเสียงกลิ่นรสประทับพระหรือสัมผัสตัวนี้แหละทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นอารมณ์ไปติ่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นอารมณ์ไปที่ตั้งแห่คค ง, งหความหลงเพราะว่าเมื่อเราพอใจเราก็กระทําลงไปตามอำนาจของความพอใจนี่แหละคือเราหลงเมื่อเราไม่พอใจเราก็ทําตามอําเภอใจตามความ ตามความที่เราไม่พอใจตามสิ่งที่เราไม่พอใจตามความคิดเห็นที่เราไม่พอใจที่เราไม่ปรารถนาเมื่อเราทําลงไปนี่แหละคือเราหลงเรามัวเมานเรามัวเมาอย่างนี้มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ม, มีแต่ความเดือดร้อนนะในข้อสุดท้ายก็คือว่าระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอะไรเป็นอารมณ์ปฏิตั้งแห่งความมัวเมาก็นอกจากว่ามีรูปเสียงเป็นรส ปวดตาพาแล้วก็ยังมีลาบยศสันเสริญสุขทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นอารมณ์เปที่ตั้งแห่งความมัวเมาเพราะคนเรานั้นเมาในลาบเมาในยศอเมาในคํายนยอสันเสริญแล้วก็เมาในสุขเมาในสุขนี่แหละคนเรามักจะเมากันอย่างนั้นฉะนั้นพวกนี้เมื่อเราเมาแล้วก็ทําให้เรานั้นผิดพลาดยะโสลทานมัตเทยะว่าได้ยศแล้วก็ไม่พึงเมาเถ้าคนเมาในยศก็ลืมตัว ถือว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่มียศขั้นนั้นท่านนี้ก็อาจจะใช้หน้าที่ตำแหน่งนั้นในทางที่ผิดได้ในการเบียดเบียนผู้อื่นได้เอาไปรุกรั่งผู้อื่นได้อันนี้มีอยู่เยอะคือคนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงอมหมายความว่าไอ้ตัวเองมียศนั้นเป็นการที่ให้เรานั้นได้ทําหน้าที่กว้างขวางอีกขึ้นเป็นเครื่องวัดว่าเรานั้นมีคุณงามความดีมากนะขยันทํากิจการงานมากเขาก็เลย เลื hmm. ่อนยศเลื so ่อนขั do do. ้นให้เมื่อเลื่อนแล้วเราก็เลยประมาทหลงว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าบุคคลอื่นดีกว่าบุคคลอื่นอใหญ่กว่าบุคคลอื่นอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้ตัวเองนั้นลืมตัวนะลืมตัวได้เมื่อลืมตัวได้แน่นอนที่สุดก็ทําให้มัวเมาประมาทประพฤชผิดในหน้าที่การงานได้นะในลาบในยศก็เหมือนกันผลที่สุดท้ายก็คือว่าถูกถูกถอดยศลดตําแหน่งมีลาบกว่าเสื่อมลาบมียศกว่าเสื่อมยศอมี สันเสริญก็มีนินทา เ, าเคยมีสุขก็ต้องมีทุกข์นี่มันเป็นโลกกรรมโลกกรรมแปดเป็นเป็นธรรมที่มีอยู่โค่โลกที่จะต้องประสบกับทุกคนผู้หญิงผู้ชายต่างแต่ว่าจะประสบมากประสบน้อยเท่นั้นเองนะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมานะความมัวเมาฉะนั้นขอให้เราได้รู้ว่าลาบยศสันเสริญอา่าสันเสริญสุขนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่มีขึ้น ตามธรรมดากับคนทุกคนนะฉะนั้นอย่าไปกังวลหรือว่าอย่าเอามาเป็นเรื่องปราบปลื้ม จ, จนลืมเนื้อลืมตัวนะอันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาได้ฉะนั้นเมื่อพูดรวมความแล้วก็คือว่าอารมณ์ที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่สองอย่างก็คืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนานะอานิถารมคืออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาแต่จําแนกออกเป็นสี่ก็เพื่อให้เหมาะสมกับอาการของใจที่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 อข้อนี้ถ้ามีภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าปมาโทรัคโตมาลังปมาโทรัคโตมาลังความประมาทเป็นมลทินของผู้ระวังนอาศัยพุทธภาษิตนี้เป็นหลักก็จะไดะ้ความรู้โดยเป็นปฏิปักษ์ขันยว่าปมาโทมัจจุนโอปังอความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอหรือมีอีกข้อหนึ่งบอกว่า อปมาโทอมะตะังปัตังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ระวังว่าคนที่ไม่ประมาทนะเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ระวังแต่ถ้าคนไม่รักษาความประมาทแล้วแน่นอนมันก็เป็นมลทินสาหรับผู้ระวังนะฉะนั้นเราจะต้องมีสตินะต้องมีสติคอยระวังทุกสิ่งทุกอย่างพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็จะมีผลอันไพบุญนะ จะมีผลนันไพบูรณ์ฉะนั้นข้อให้เราได้รู้ได้ทราบอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะประพฤติ ท, ทำในสองข้อนี้ได้ดีที่สุดว่าควรทําความไม่ประมาทในที่สีรษะฐานในที่ศีรษานในสองบทะฉะนั้นเท่าที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอความควรทําความไม่ประมาทในที่ศีรษานมาก็พอสรุปย่นย่อยสั้นอีกทีก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นจงเป็นคนมีสตินั่นเอง ตัวสตินี่แหละเป็นเครื่องห้ามความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจนะเพราะตัวสตินี้ถือว่าเป็นตัวปัญญานะเมื่อเรามีสติแน่นอนที่สุดก็มีสัมปชัญญะเป็นของคู่กันนะสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัวว่าเราทำอะไรเวลานี้เราทำอะไรเวลานี้เราพูดอะไรเวลานี้เราคิดอะไรอ่านะ เมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะทำอะไรไม่ผิดไม่พลาดเราก็ไม่มัวเมาเราก็จะไม่ลุ่มหลงนะเราก็จะไม่กำหนัดเราก็จะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ปฏ่ตั้งแห่งความกำหนัดและอารมณ์ปิตั้งแห่งความขัดเคืองเราก็ทาอย่างนี้ได้เราก็จะประสบแต่ความสุขความสวัสดีฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับทำทั้งสองประการ น, นี้มา ก็อพอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อว่าปาริสุทธิ์ทิศินปาริสุทธิ์ทิศีนความหมายของคําว่าปาริสุทธิ์ทิศีลก็คือมีศีลอันบริสุทธิ์มีศีลอันหมดจดอมีทั้งหมดอยู่สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งปาติโมกสังวรศีล สัรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสองอินทรียสังวรศีนสัรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆ 3. อาชีวปริธธสุทธิศีลเลี้ยงชีวิต โดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสี่ปัจจยะปัจจะเวกขณะศีลพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจสี่คือจีวรบินาบานเสนาสนะและเพศัตรไม่บริโภคด้วยตัณหานี่แหละทั้งหมดนี้เรียกว่าปาริสุท ธ, ธิศีลหรืออาจจะเรียกว่าจะตุปาริสุท ธ, ธิศีลก็ได้จะตุแปลว่าสี่นะปาิสุท ธ, ธิศีลก็คือว่า มีศีลอันบริสุทธิ์หมดจดนะมีศีลอันสะอาดปราศจากมลทินอ่านะว่ากันคือหมายความว่าคนเหล่านั้นถ้าไม่ประพฤติล่วงทวินัยบัญญัติที่จัดเป็นสิขาบทในพระปฏิโมกตั้งแต่บทแรกไปเลยที่บอกว่าประราชิกสี่จนถึงเสขียวัตรแล้วก็ไม่ประพฤติผิดตามคำนธรรมเนียมประเพณีคืออภิสมาจาร์อันจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมในคันธกะ เช่นวัดต่างๆมีกิจวัตรเป็นต้นนะเรียกว่าปาติโมฆขสังวรนะปาติโมฆขสังวร อ, อันนี้ก็หมายความว่าการที่เราไม่ประพฤติล่วงกฎหมายคือพุทธบัญญัติที่พระองค์ได้จัดเป็นสิกขาบทในพระปาติโมฆนะที่โดยเฉพาะ อ, อันนี้ก็เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เรนนะหากว่าพระสงฆ์องค์เลนนั้น ไม่ประพฤติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็คือว่าประพฤติล่วงบัรยัตินะก็คือล่วงพระวินยัยนะเมื่อเราเราปฏิบัติผิด พ, พระวินัยก็คือผิดศีนั่นเองนะผิดศีลก็คือผิดวินยัยผิดวินัยก็คือผิดศีนผิดศีลผิดวินันะนนยก็เกิดความเศร้าหมองเกิดการติชินนินทานะตัวเองก็ติติตัวเองบุคนะคลอื่นก็ติเตียนนะวิญญูชนรู้ก็ติเตียนทั้งนั้นนะฉะนั้นคนที่ เราพื้นผิดกฎหมายผิดพุทธบัญญัติเนี่ยคือผิดทวินยัยนะผิดทวินยัยฉะนั้นทวินัยนี่แหละเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแต่คนไม่มีศีลไม่มีวินยัยก็จะมีกายมีวาจาไม่เรียบร้อยอพระสองฆ์องค์เลนถ้ามีกายมีวาจาไม่เรียบร้อยแน่นอนที่สุดก็จะเป็นพระสมณะที่ดีไม่ได้สมณะแปลว่าผู้สงบสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบบรรบัชิแตแปลว่าผู้สลั แล้วหรือว่ากู้ละแล้วนะกู้ตัดแล้วอย่างคารวะอย่างวิสัยอย่างคารวะเราต้องละต้องสลัดนะนี่ต้องเว้นนะต้องเว้นอ่าเว้นในสิ่งที่คารวะเขาเกระทํำนะฉะนั้นอันนี้เมื่อเราเป็นบรญชีชิตหรือเป็นนักบวชนั้นเราจะต้องทําให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยถ้าเราทําไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยแน่นอนที่สุดก็จะเกิดทําให้ศาสนาของเราต้องมัวหมองเป็นที่จิตทินินทา ของคนทั่วไปและอาจจะเป็นที่โจมตีของในาศาสนาตรงกันข้ามก็ได้นะเอาเป็นวิที่โจมตีประกาศ เ, าเกจติคุณในาศาสนาของตนเอามาย่ํายีาศาสนาของเราฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราจะต้องอประพฤติให้อยู่ในทํานองคลองธรรมนะเมื่อเราประพฤติให้อยู่ในทํานองคลองธรรมก็คือประพฤติตามทวีไนค้นนิสินก็คือเป็นคนที่รักษากายว่าจา่านะรักษากายว่าจ่าให้เรียบร้อย เมื่อคนเรามีกายวาจาเรียบร้อยนั่นแหละเป็นคนดีนะเป็นคนดีเพราะว่าปาติโมขะสังวรสีนีเ้เราจะเรียกว่าพระวินัยก็ได้นะเรียกพระวินัยก็ได้เรียกศีลก็ได้นะคนเราทั้งมีศีลมีวินยัยคําว่าวินัยนี่แปลว่านํานําไปวิเศษคนมีวินัยก็คือนําคนไปให้วิเศษกว่าคนนี่อนะหรือคําว่าวินัยนี่แปลว่านําไปแจ้ง อคนมีวินัยก็ทําให้คนนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเหนือกว่าคนเนี่ยเหนือกว่าคนนี่คําว่าวินัยแปลว่าต่างนะแปลว่าต่างอหมายความว่าอนําไปต่างก็หมายความว่าคนมีวินัยนั้นนําบุคคลนั้นให้ไปสู่อความรู้ต่างๆอให้ได้พบเห็นในสิ่งที่ดีงามต่างๆ น, ะนี่นี่สําหรับคนที่มีวินยัยหรือความหมายของคําว่าวินยัย วิี่แปว่าวิเศษไปว่าแจ้งไปว่าต่างนะฉะนั้นคนมีวินัยนี้ต้องเหนือคนนะดีกว่าคนเลิศกว่าคนนะฉะนั้นคนมีศีลก็เหมือนกันนะคนคำว่าศีลนี่ก็คือว่าสงบนะร่มเย็นนะเป็นปกตินะเป็นปกติก็คือว่ามีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์คือของความเป็นคนจิตใจสูงนะจิตใจสูงนะ คนจิตใจสูงก็คือว่าทาอะไรมันก็มีแต่คนยกย่องคนสรรเสริญคนบูชาตรงกันข้ามคนไม่มีศีลก็ไม่มีคนยกย่องมีแต่คนนินทานะมีแต่คนนินทาและยิ่งไปกว่านั้นพระที่ท่านเวลาให้ศีลแล้วท่านจาสรุปศีลบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติว่าคนจะไปสุขติได้ก็เพราะศีลนะมีศีลแล้วก็ทำให้ไปเกิดในที่ดี ถึงแม้ว่ายังไม่ต้องตายก็ไปดีนะคนมีศีลเนี่ยไปดีฉะนั้นที่อประชาชนเขากราบไหวพระสองฆ์องค์เลนก็เพราะเป็นคนมีสินนะเป็นคนมีศีลก็คือทําให้ไปดีไปดีคือไปไงไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพรั ก, รกปรึกษาคนกราบคนไหว้นะคนอยากทําบุญอยากสุนทานบางคนพอเห็นพระสองฆ์องค์เลนแม่เกิดศรัทธา ม, มากนะเกิดความเลื่อมใสามากนี่เห็นไหม เพราะอะไรก็เพราะพระสง์องค์เนนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ไขนะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ไขเพราะเป็นคนมีศีล น, นะป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาของตนได้นี่ก็คือไปดีอ่า น, ะนี่หมายถึงว่ามีชีวิตก็ให้ดาเนินไปดีนะดาเนินไปดีแต่ถ้าเราเป็นคารวะาไม่แน่นะเป็นคารวะาถึงแม้ว่าเราจะมีศีลห้าแต่ก็มีโทษมีเวรมีภัยมากกว่านะในการดาเนินชีวิต หรือว่าเดินทางไปทางไหนนี้ถ้าคนเห็นพระสงฆ์องค์เล น, นี้อาจจะเลี่ยงทางให้นะอาจจะกราบจะไหว้แม้แต่พวกอที่ว่าเป็นเสือหรืออันดพานก็ยังจะต้องกราบต้องไหว้นะต้องหลีกทางให้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาไม่แน่นะเราอาจจะต้องหลบต้องหลีกนะต้องคอยซ่อนนี่เพราะอะไรออันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอํานาจของศีนนั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าสุขติงหนี้แปลว่าไปดีนะทีนี้ สุคตินี่ยังกินความกว้างอีกกว่าไอ้ไปดีนอกจากว่าไปดีในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปดีในอนาคตแม้ว่าตายไปแล้วก็ไปเกิดในที่ดีไปเกิดในที่ดีก็อาจจะไปเกิดเรียกว่ามาได้เป็นมนุษย์สมบัติอีกได้สวรรค์สมบัติอีกจนถึงที่สุดก็คือเป็นปัจจัยให้ได้ถึงนิพพานสมบัติอเพราะในข้อที่สองได้บอกไปแล้วว่าสีเลนโพคสัมปทาอ่าสีเลนะนิูติงยันตินี่ ว่าคนจะมีโภคสมบัติมากมายก็เพราะศีลคนจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะศีล น, นี่นี่สรุปศีลไว้แล้วอันนี้เวลาพระท่านให้ศีลแล้วท่านจะสรุปอย่างนี้ทุกทีแต่ว่าญาติโยมฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเอ่อฉะนั้นคนมีศีลแล้วก็เป็นที่นำมาซึ่งลาบยศสุขสรรเสริญเป็นที่นำมาซึ่งลาบสักกระต่างๆที่เขานำมาสักการะนำมาบูชานำมากราบไหว้ ที่เราไปไหว้พระพุทธรธรรมพระสงฆ์ตามาวัดวาอารามต่างๆนั่นแหละเราจะเห็นไหมมีดอกไม้ทูกเทียนทุกคนเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เพราะอะไรก็เพรา ะ, ะมาบูชากราบไหว้คุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ซึ่งท่านเป็นผู้มีศีลมีอริยศีลนะเรียกว่ามีศีลของพระเจ้านะเรียกว่าไม่มีศีลขาดอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วพระพุทธศีลด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะอย่างสิ้นเชิงนี่ฉะนั้นคนเรานี่ จะดีกว่ากันเหนือกว่ากันนี่ก็เพราะมีศีลมีธรรมนั่นเองนะมีศีลมีธรรมนั่นเองศีลในขั้นต้นก็คือศีลห้านะเรียกว่านิจศีลนะศีลในขั้นกลางอ่าเรียกก็คือศีลแปดนะศีลอุโบเรียกว่าอุโบสถศีลหรือว่าศีลสิบศีลของสมมาเนนนี่เรียกว่ามัชชิมศีลนะเป็นศีลขนาดกลางอย่างกลางอย่างสูงก็เรียกว่ามหาศีลได้แก่ศีลของพระพิกษุ มีสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนี่เรียกว่ามหาศีลก็สูงขึ้นไปฉะนั้นการนับถือเคารพปูชาของคนเราทั่วไปนั้นก็มากน้อยก็คือขึ้นอยู่กับศีลอีกด้วยฉะนั้นเมื่อเราไม่ประพฤติผิดในข้อวัดในข้อธรรมเนียมที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้คือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทําตามข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความสบายมาในข้อที่สอง ที่บอกว่าอินทรียสังวรนะพูดง่ายๆว่าอินทรียสังวร อ, นะอินทรียสังวรศีนเนี่ยคือมีศีนด้วยการสำรวมอินทรียอินทรีหกคําว่าอินทรียนี้แปลว่าเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ดังนะนั้นเราจึงพูดว่านกอินทรียนะนกอินทรียนี่มันตัวใหญ่ปนะลาอินทรียก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ ดังท e, e. nah. ี uh, ่บอกว่านกอินทรีนึกคิดว่ามันเป็นเจ้านกอยู่แล้วนะใหญ่กว่านกทั้งปวงทีนี้คําว่าอินทรีในที่นี้แปลว่าใหญ่แต่ว่าอินทรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่านกว่าปลาหมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันเป็นใหญ่แต่ละอย่างตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการเลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการ นึกคิดรู้ทําอารมณ์ต่างๆด้วยใจนี่คือในเรื่องการดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาเป็นใหญ่เท่ากับตาจะเอาหูมาดูแทนตาก็ไม่ได้จะจมูกมาดูแทนตาก็ไม่ได้นะจะเอาจะเอาลิ้นอมาดูแทนตาก็ไม่ได้นะฉะนั้นในเรื่องการดูนี่ยกยกให้ตาเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นใหญ่กว่าวอาะไรนะหูเหมือนกัน มีหน้าที่ในการฟังเสียงจะเอาตามาฟังเสียงแทนก็ไม่ได้เอาจมูกมาฟังเสียงแทนก็ไม่ได้นเอาลิ้นมาฟังเสียงแทนก็ไม่ได้ฉะนั้นหูจึงเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในในการฟังเสียงจมูกก็เหมือนกันเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นรสเราจะเอาตามาดมกลิ่นแทนไม่ได้จะเอาหูมาดมกลิ่นแทนก็ไม่ได้เอาลิ้นมาดมกลิ่นแทนก็ไม่ได้ฉะนั้นจะบอกว่าจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการลิ้นรสก็ในทำนองเดียวกัน นะทำนองเดียวกันหรือมาถึงใจก็เป็นใหญ่ในการอานึกคิดอตรึกตรองวิตกวิจารณรู้ธรรมารมด้วยใจนี่จะเอาตามาตรึกตรองไม่ได้นะเอาหูมาตรึกตรองไม่ได้เอาจมูกมาตรึกตรองไม่ได้เอาลิ้นมาตรึกตรองไม่ได้อันนี้แหละที่ได้บอกว่ามันเป็นใหญ่ของแต่ละอย่างละอย่างนะเป็นใหญ่ของแต่ละอย่างทีนี้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แน่นอนที่สุดเราจะต้อง รู้ต้องทราบว่าพระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วทุกมันก็เกิดขึ้นกิเลสมันก็จะเกิดขึ้นนะกิเลจะเกิดขึ้นพระพุทธองค์ได้บอกว่าทุกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกจะหมดไปก็หมดไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือว่าเกิดเพราะการไม่สํารวมเกิดเพราะการไม่สํารวมไม่สํารวมไม่ระวังไม่มีสติก็คือประมาทก็คือประมาทนั่นเองอคนประมาทก็คือคนขาดสตินคนขาดสติก็คือคนประมาทเธอทําอะไรก็ผิดพลาดนะผิดพลาดอืทําอะไรก็พลังเผลอมัวเมาพลั้งเผลอมัวเมา อย่างนี้ถือว่าเป็นคนประมาทท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าไอเรือนที่คนเรามุงแล้วไม่ดีนะมุงด้วยจากมุงด้วยแฝกด้วยมุงด้วยกระเบื้องถ้ามุงไม่ดีฝนมันตกมันก็รั่วรถได้นะฝนตกก็รั่วรถได้นะทาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในเรือนนั้นนะแต่ถ้าเรือนคนมุงดีนะมุงแฝกมุงจากแล้วก็มุงแล้วถี่หน่อยมุงดีไม่มีช่องโหว่ไอฝนมันตกลงมามันก็รั่วรถไม่ได้ นะรั่วรถไม่ได้อันนี้คนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนั้นก็สะดวกสบายนะฉะฉนั้นคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าไม่รู้จักสำรวมให้ดีในทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงก็เพราะว่าอารมณ์ที่เราได้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมันจะเกิดขึ้นสองอย่างคืออิทธารมณ์กับอนิจธารมณคือเราก็ ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆถ้ามันเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจน่าปรารถนาก็เป็นอิทถารม์เป็นอิทถารมเราต้องการรูปนี้สวยอต้องการรูปนี้ดีต้องการหูนี้เพราะอะเสียงนี้เพรา ะ, นะะเสียงดีอฟังแล้วเย็นดีอนี่เราต้องการอกลิน่น อ่าอันนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมดีเราต้องการรสอันนี้อร่อยดีเราต้องการอ่าสัมผัสไหมอันนี้มันนุ่มดีเราต้องการใจนึกคิดรู้สึกมันเพลิดเพลินดีเนี่ยอย่างนี้เป็นอิทธารมณ์นะเป็นอิทธารมณ์เมื่อเราเกิดความดีเกิดความชอบใจอ่านี่แหละคือเราประมาทแล้วและเมื่อเราทําไปตามสิ่งที่เราชอบอําเภอใจสแสวงหาแล้วนะสแสวงหารูปอย่างนั้นนะ แสวงหาเสียงอย่างนั้นแสวงหากลิ่นอย่างนั้นแสวงหารถอย่างนั้นอ่าแสวงหาสัมผัสอย่างนั้นไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยบนก็ต้องว่าด้วยคาถาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ด้วยสุจริตก็ต้องหาวิธีการทุจริตอย่างหนึ่งอย่างใดนี่แหละตัวโมหะมันก็จะทับถมเข้ามาสนับสนุนเข้ามาทําให้เรานั้นอาจจะต้องถึงกับเรียกว่าทุกเดือดร้อนมากก็ได้หรืออาจจะต้องถึงกับบาดเจ็บทุกพลภาพก็ได้หรืออาจถึงที่สุดก็คือ ตายก็ได้นี่เป็นไปได้ทางนั้นนี่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เราเกิดพอใจที่ปรารถนาส่วนอารมณ์ที่เราไม่พอใจไม่น่าปรารถนาก็คืออนิจจารมนะอนิจจารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็คือในเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดไม่พอใจแม้รู้สึกว่ามันอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดเลยบางคนนี่พอพบหน้ากันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกชะตากันนะเรามักจะบอกว่าไม่ถูกชะตากันเลยทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักมักกี่เลย เห็นแล้วมันขวางหูขวางตาคนที่สุดเป็นไงเกิดเรื่องนะพักเพียวแล้วเดี๋ยวเกิดคอมเมนตกันกระทบกันนะเพียงแต่ตาดูกันแค่นั้นนะเอามาเป็นเหตุอชกต่อยเป็นเหตุตีกันเป็นเหตุฆ่ากันอันนี้ก็มีอยู่เยอะนะมีอยู่เยอะเลยอในทางเสียงเหมือนกันนะในทางเสียงอ่าถ้าเกิดเป็นเสียงที่เราไม่พอใจใครมาเอะอะโวยวายพูดกับช่อโคกหัากับเราก็ดีหรือกับญาติของเราเพื่อนของเราบางทีทําให้เราไม่พอใจ อ่าไอ้นี่มันรู้สึกมันขวางหูอีกแล้วเมื่อกี้ขวางตาทีนี้มาขวางหูนะมันคลายหูมันเคืองหูเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนะทําให้เราไม่พอใจผลที่สุดก็เกิดาอออการทะเลาะเบาแวงเตะชกต่อยกันฆ่ากันตายอันนี้ก็มีมากอา้าวมาในในในกลิ่นในรสก็ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่พอใจก็เราก็ไม่น่าปรารถนาอา่าเราก็ไม่ปรารถนาเมื่อไม่ปรารถนาเราก็อยากจะให้มันให้มันไปพ้ น, พ น, พนเรา ให้มันไปผลพ้นเราทอนี้เราก็ต้องหาวิธีการที่ไปผลก็คือด้วยการอขับไล่สายส่งหรือว่าดุดาว่ากล่าวผลที่สุดก็คือเอมเมนการตี ก, ตาการชกต่อยกันฆ่ากันนี่แหละจึงได้บอกว่าทุกโทษมันเกิดขึ้นทางนี้เกิดขึ้นทางนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าเอเราโดยมากก็คือว่าทุกที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางอินทรีย์หกคือตาหูจมูกเล่นใจใจเกิดขึ้นทางนี้ พอมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่สำรวมระวังเราก็เกิดแย่งกันแย่งรูป ก, กันแย่งเสียงกันแย่งกลิ่กันแย่งรสกันแย่งสัมผัสกันนะพอเราแย่งกันอย่างว่าต่างคนต่างแย่งมันก็เกิดาการกระทบกระทั่งกันผลที่สุดก็ถึงความหายาะทั้งคู่เสื่อมทั้งคู่นะที่เป็นข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆเลยนะมันอยู่ทางนี้นอกจากทางหกทางนี้แล้วพระพุทธองค์บอกว่าทุกไม่เกิดนะฉะนั้นเราต้องรู้จัก ปิดรู้จักเปิดอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายอันนี้นะักปราชญ์ของจีนเขาได้ทําเป็นรูปลิงสามตัวนะนั่งอยู่นะแกะเป็นหินอ่อนบ้างแกะเป็นไม้บ้างปั้นบ้างนะทําเป็นปิิศนาลิงสามตัวตัวหนึ่งกนะ็ปิดหูสองหูนะอีกตัวหนึ่งก็ปิดปากอีกตัวหนึ่งก็ปิดตาสองข้างนี่วัยใจไอคนเราเนี่ยมันเปรียบก็เหมือนลิง ใจมันดิ้นรนมันกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลารักษาญากห้ามยากนะขนัดคอยระวังระวังเนี่ยมันก็อดเผลอไม่ได้นะเผลอไม่ได้นะเพอเผลอแล้วนั่นแหละคือคนประมาทคนประมาทก็คือคนที่ขาดสติก็ทําทําไปตามอําเภอใจแน่นอนที่สุดก็จะนำความทุกข์มาสู่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติได้นะฉะนั้นเราก็ต้องสํารวมนะสำรวมตาสํารวมหูนะสารวมจมูกสํารวมลิลนสํารวมกายสํารวมใจนะไม่ยินดียินร้าย ในเมื่อตายเห็นรูปผู้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสดายถูกต้องสัมผัสใจเนื้คิดในอารมณ์ต่างๆมาในข้อที่สามอาชีวปริสุทธิ์เลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบในคําว่าเลี้ยงชีพอโดยทางที่ชอบก็คือว่าในทางสัมมาชีพนในทางสัมมาชีพถ้าหากว่าเราเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบก็กลายเป็นมิจฉาชีพโกหกหลอกลวง นะโกหกหลอกลวงหากินในทางทุจริตในทางจีปจ้ปล้นฆ่าจี้ปล้นฆ่าชกชิงวิ่งราวาทุกสิ่งทุกอย่างแหละนี่ถือว่าเอาเลี้ยงชีวิตโดยละเมิดอละเมิดกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าผิดศีลผิดธรรมของพิสุสัมมาเนนในทางพระพุทธศาสนานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระพิสุสัมมเนนก็คือว่าการที่เลี้ยงชีวิตโดย และเมื่อต่อบพระวินัยของพระพิสุสัมมเนนเช่นว่าอวดอุตริมนุสธรรมนะที่ไม่มีในตัวตนอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นพระยาเจ้าบ้างได้ขันโน้นได้ขั้นนี้บ้างเหาะเหินเดินอากาศได้ก็เพื่อจะปลุกศรัทธาให้คนได้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสอันนี้ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้ถือก็ถือว่าผิดศีลผิดวินยัยหรือว่าบางครั้งเราก็หลอกลวงปัจจัยเข้ามานะ แสวงหามาในทางที่ไม่ชอบนะเพื่อเอามาบํารุงบําเรอตนอันนี้ก็ถือว่าเราผิดศีนอีกเหมือนกันนะถือว่าเราเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบอเลี้ยงชีพในทางที่ชอบพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเ<ๆ>ช่นว่าการบินทบาทนะการบิณทบาทที่เขาให้เรามานี้ถือว่าอันนี้เป็นเป็นทางได้ที่ชอบนะเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ชอบนะนี่แหละจะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ให้พระสงฆ์องค์เลนนี้ได้ ยินดีในผ้าสามผืนนะถ้าหากว่าไปพุ่มเฟย์ ฟ, ฟงเฟอร์มากก็จะทําให้เลี้ยงชีพในทางที่อที่ทุจริตไดนะ้ที่ผิดศีลผิดวินัยได้นะหรือว่าให้ยินดีในการบินตาบาัตนะถ้าหากว่าเราไม่ยินดีในการบินตาบาัตแน่นอนที่สุดเราก็มีโอกาสที่จะอทําผิดศีลผิดวินัยได้นี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเป็นเป็นพระวินัยที่ ป้องกันไม่ให้ความชั่วความเดือดร้อนได้เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับพระภิกษุสามเณร น, นะกับพระภิกษุสามเณรฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยที่พระพร ะ, พระสงฆ์องค์เลนได้มาโดยบริสุทธิ์ก็คือด้วยการแสดงธรรมนะด้วยการแสดงธรรมเพราะว่าอันนี้เราเรียกร้องไม่ได้นะเรายินดีตามที่เขาถวายตามที่เขาบูชาธรรมเรามาอบิณาบาตเหมือนกันเรายินดีตามที่เขาใส่บาตรเรามา นจะไปร้องขออะไรก็ไม่ได้ไปร้องขอไม่ได้อีกแล้วนี่แหละเรียกว่าเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตแต่ว่าถ้าได้นอกจากนี้มาอแน่นอนที่สุดในบางอย่างก็อาจจะได้มาโดยทางที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้ะทางที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้เช่นบางทีพระพุทธองค์ก็ตําหนิเหมือนกันเช่นว่า การบอกใบให้หวยอดูเลิกดูยามเนี่ยถือว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์นี่พระพุทธองค์ทรงตำหนินะทรงตำหนิหรือว่าการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนทุกสิ่งทุกอย่างอ้างว่านั่งทัางในได้บ้างนะหรืออ้างว่านั่งทัางในได้ถึงขั้นโน้นขั้นนี้อนะสามารถที่จะรักษาโรคต่างๆก็ได้เนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบในทางที่ผิดศีลผิดวินัยทางนั้นนะอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตำหนิอีกด้วยนะ ฉะนั้นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็คือว่าต้องไม่หลอกลวงข้าหากินในทางพระวิานัยก็คือว่าเช่นว่าการวินาศบาตรก็ดีการเทศนาธรรมก็นีที่เขาได้ใส่บาตมาให้นั้นที่เขาได้บูชาการแสดงธรรมานั้นถือว่าเป็นเป็นการได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้หลอกลวงข้าหากินนะได้มาโดยชอบนะได้มาโดยสุจริตนะอย่างนี้เราเรียกว่าอาชีวบริสุทธิศีลญาติโยมเหมือนกันทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่ไม่หลอกลวงเขาหากินนะไม่ไปโกงเขามานะได้มาโดยความบริสุทธิ์ได้มาโดยยุติธรรมนะถ้าการได้มาโดยการข่มเหง ผ, เงผู้อื่นเบียดบังผู้อื่นขู่บังคับผู้อื่นหรือไปลักไปขโมยเข้าวหมาอย่างนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัตินะนี่ก็อยู่ในอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนั่นเองในข้อที่สี่ก็คือปัจจะยะปั จ, จเวคขณะศีล ก็คือพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจใจสีปัจใ จ, ส, จ, จสีคืออะไรก็มีจีวรบินาบาตะเสนาสนะเพศสัตว์นี่อาหารนะอาหารอ่าก็คือการบินาบาตะคือหมายถึงว่าก่อนที่เราจะฉันอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเราบริโภคไปนี้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้บริโภคเพื่อความสวยงาม ผ้าผ่อนท่อนสบายคือจีวอนหรือสบวงต่างๆที่เราได้นุ่งหรือได้สวมใส่ไปนั้นเราห่มเพื่อป้องกันความไม่สวยไม่งามหรือเพื่อป้องกันแดดลมเืป้องกันเหลือบยุงลิ้นไรไม่ได้ห่มเพื่อความสวยงามนะไม่ได้ห่มเพื่อความสวยงามเสนาชนะเหมือนกันที่เรา อ, อยู่อาศัยด้วยอิริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่อาศัยในการเพื่อ ปฏิบัติธรรมนะเพื่อดําเนินชีวิตให้เป็นไปป้องกันแดดลมฝนหรือว่าเหลือบยุงลิ้นไรต่างๆนานาออย่างนี้แหละเรียกว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราพิจารณาก่อนแล้วพิจารณาเสียก่อนแล้วเภสัตช ก, ก็คืออยู่ยารักษาโรคต่างๆก่อนที่เราจะรับทานไปนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ท้องแท้เสก่อนว่ายาขนาดนี้แก้อะไรนะถ้าเราไม่พิจารณาแน่นอนที่สุดก็อาจจะตายได้ นาอาจจะตายได้มีหลายคนเยอะนกินยาผิดไปนี่ยอ่านไม่ทันอ่านไปบ้างก็ไปกินยาเป็นพวกยาเบือกูบ้างพวกยาฆ่ า, มาแมลงต่างๆนานานี่แหละทําให้เป็นเหตุถึงตายได้ฉะนั้นอันนี้เป็นความรอบครอบเป็นความรอบครอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฝึกให้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเป็นคนมีสติ อเป็นคนมีสติทำอะไรต้องพิจารณาคือใช้สติปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรบริโภคอะไรควรเสพออะไรควรใช้สอยออะไรไม่ควรใช้สอยคือไม่ใช่ว่าเราได้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเสียก่อนจะทําให้เรานั้นอประพฤติปฏิบัติไปในทางตันหานในทางราคะไม่ดีถ้าได้มาอย่างนี้ไม่สวยเราก็ไม่พอใจนะชอบเอายางสวย เออ่เมื่อเราไม่พอใจเราก็ต้องแสวงหาก็อาจจะไปหลอกลวงเข้ามาหรือไปพูดจับปลาร้าประลอมวานร้อมให้เขาต้องเอถวายลาภเพื่อตอนเองอบินาบาศเหมือนกันอถ้าหากว่าตัวเองบริโภคด้วยตัณหาก็ทําให้ตัวเองนั้นอาจจะไปแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ได้ในเรื่องเสนาสนะในเรื่องเพศสัตว์เหมือนกันอันนี้เพื่อต้องการให้ให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความสุขุมรอบคอบนะมีสติมีสัมปชัญญะ แน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความเจริญก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองและศาสนานี้ก็จะไม่เสื่อมเลยนะจะไม่เสื่อมเลยก็เป็นที่เคารพรักบูชาของคนทั่วไปฉะนั้นผูดถึงการบรรยายเรื่องจตุบริสุทธิ์ที่ศีนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอสรุปสั้นๆอีกนิดว่าคนจะมีศีลบริสุทธิ์ได้นั้นต้องยึดหลักสี่ประการนะยึดหลักสี่ประการหลักสี่ประการนี้ก็ควบคุมไปหมดเลย จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บ็ดนั้นอยู่ในหลักสีประการนี้ฉะนั้นบางคนยังพูดบอกว่ามีศีลสีข้อพอแล้วนะพระสงฆ์องค์เน้นญาติโยมนี่มีศีลสีข้อพอแล้วในบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊มีศีลสีข้อจะพอได้อย่างไรแต่หารู้ไม่ว่าศีลสีข้อนี้คุมหมดเกลี้ยงเลยนะปาติโมกข์สังวรศีลอ่าสํนะารวมในพระปาติโมก เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนี่หมดแล้วคุมหมดแล้วข้อแรกข้อเดียวนี้คุมหมดแล้วตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเ น, นี่ยคุมหมดเลยปราการที่สองให้เราสํารวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีให้ยินดียินร้ายในเมตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นมรดคลายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่ก็คุมหมดแล้วคุมไม่ให้อาการละเมิดพระวินัยบัญญัติไม่ละเมิดศีล ที่พระพุทธองค์ทรงห้ามนะไม่ละเมิดแล้วความชั่วก็ไม่เกิดขึ้ น, นเพราะความชั่วบอกเลยว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทั้งนี้จะหมดไปก็หมดไปทางนี้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักสารวมระวังประการที่สามให้เลี้ยงชีพในทางสุจริตในทางที่ชอบไม่หลอกลวงเข้าหากลิ่นนี่ก็เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์และประการสุดท้ายก็คือว่าให้เราพิจารณาปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานะด้วยสติสัมปชัญญะรอบครอบบริโภคด้วยสติสัมปชัญญะไม่บริโภคด้วยจันหา เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายและเป็นที่นำมาซึ่งศรัทธาภาษาธรรมความเชื่อความเลื่อมใสของท่านสาธุชนทั่วไปเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องจะตุกไปสุดที่เียมาก็พอสมควรกับเวลาในสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร